ขันธมารคือรูปะขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันเป็นขันห้าที่ขวางการทําดีขวางการบรรลุบางคนรูปะขันขัดขวางปวดตรงนั้นเจ็บตรงนั้น <c oughs> ใช่ไหมขวางไหมพอจะไปปฏิบัติขึ้นมาโอ้ยตาก็ปวดเมื่อยหูเอ้ยจมูกเอ้ยกายเอ้ยแขนขาเอ้ยไตยเอ้ยตับเอ้ยล้วนไปหมด ไม่อาจจะไปได้แล้วท่านเนี้ยสุขภาพไม่ค่อยดีเวทนาขันก็ขวางไหมติดสุขเวทนาไปทํากรรมฐานมีแต่ทุกขเวทนาไม่เอาสัญญาขันขวางไหมโอ้ความจำใช่ไหมพอจะไปปะจะเจริญกุศลหน่อยไอ้ความจําในเรื่องที่ไม่ดีมารายงานเป็นแถวคอยขวางไหมเนี้ยไอ้สังขารหลัานก็ปรุงแต่งใหญ่เลยเนี่ย แทนจะปูงแต่งบุญก็ปูงแต่งแต่บาปมาขัดขวางอยู่เนี่นไอ้วิญญาณน่ะขันก็ขวางอยากจะไปดูตรงนั้นตรงนี้อยากจะไปฟังทั้งจักรวิญญาณก็ขวางโสตวิญญาณก็ขวางโง่ขวางหมดเลยเนี่ยเห็นไงขันห้านี่เป็นมารไหมเป็นมารเนะนอะมาจุมารก็ความตายว่าะจะทําดีซะหน่อยจะตายเสีกแล้ว อาพี่สังขารละมาเนี่ยเจตนากรำรใช่ไหมกำรรที่ทําให้ไปเกิดเป็นอยู่ในสลัมก็ขวางอีกต้องละมาห้กินเนี่ยไอ้พวกกรรมที่ทำให้ตนเองยากจนนี่แหละแล้วไม่มีเวลาศึกษาพืชปฏิบัติก ร, รมที่ต้องไปอยู่กับใครไปติดคนนั้นคนนี้อยู่นี่นแหละออกจากมันไม่ได้แต่ยอมจำนนไปยอมจำนนแต่พระพุทธศาสท่านไม่ยอมจำนนนะขนาด ขนาดเจตนากรรมไปอยู่ในสถาบันกษัตริย์จะเป็นจกักรพรรดิีราษยังขวางท่านไม่ได้เลยโดยที่เนี่ยปุญญาพิสังขารขนาดนั้นเจตนาที่นำสู่อรูปเนี่ยอย่างเช่นอุตกาดาบทอรระดาบทเนี่ยโดนอภิสังขารมานใช่ไหมเจตนากรรมที่เป็นอน en ช้าขวางเลยตนเองติดจะแล้วเนี่ยติดสมาธิ ไม่สามารถเดินออกจากสมาธินั้นได้ไม่สามารถทำลายสมาธินั้นได้ตายเลยไปเกิดในรูปเลยมีขวางไหมขวางกันบรรลุไม่เยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหบางคนก็เจอไอ้เจตนากรรมที่ไปลงอเวจีอะ่ะขวางอีกอดวันบรรลุเลยอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยเช่นเี่ยพระเจ้าชาติสตรูเนี่ยสุปาพุทธเนี่ยนันทามานบเนี่ยนางกินเจมานวิการเนี่ยโอ้โหพวกนี้ลงอเวจีหมดเลยนะเนี่ยนี่ใช่ใช่พิสังขารมารไหม หรือบางคนก็นกรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสัจการนิโคนเนี่ยบรรลุได้ไหมปุรณาคัสปะ อ, อสัจการเดี๋ยวนี้บรรลุเลยวนะนิครนนาตะบุตรเนี่ยบรรลุไม่ได้ปุรณกัสปมะมคคัริโคสารสาชิตาเกยศกรมพลปรกุทธกัจจายะ น, นิคนสัญชัยเวรพบุตรเหล่านี้บรรดาครูทั้งหไม่มีใครบรรลุได้เลยเพราะอะไรอภิสังขารมานก็เจตนากรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิขวางไว้ซะนี่ ไม่ทํากรรมแบบนี้มาเลยขวางเลยอย่างนี้ยเผื่อเราจะต่างกันอะไรเนี่ยติดพอทากรรมอะไรมาแล้วก็ติดติดทรัพย์ติดยศติดอํานาจติดวงตระกูลติดอยู่เนี่ยนะติดผลของอภิสังขาระมานไปไม่ได้โอ้เห็นเยอะเลยอุปสรรคเริ่มเยอะเลยนี่เยอะไหมพอมาบวุขึ้นมาพอมียศตําแหน่งขึ้นมาติดอภิสังขาระมานอีกโอ้ติดผลบุญเนี่ย ออกไม่ได้มีญาติยมศรัทธาเยอะยศตำแหน่งเยอะออกไม่ได้โอ้โหต้องรอรับสังฆทานทุกวันทุกวันไม่มีเวลาจะขวนขวายในการไปพืชปฏิบัติติดอีกอ้าจะไปไปพืชปฏิบัติโอ้โหสาราการบาเลี ย, ยังไม่เสร็จเลยงบทั้งห้าสิบล้านเพื่งหงาไม่ได้สิบล้านเองเหลือทั้งสี่สิบล้านติดผลบุญติดไหมโอ้โหตายเลยอาจะไปสร้างวัดป่า จะสวยงามติดเลยไปที่ไหนไม่ได้อยู่ในปา่าสวยกุฏิแต่หลังหลังสิบล้านสิบล้านสวยสว ย, สวยติดเองติดอภิสังขารมานติดผลบุญโอ้หัวหน้ากลัวนะเนี่ยไม่รู้จักมารจริงๆเนี่ยเรานึกว่ามันไม่มีอิทธิพลที่ไหนได้โอ้อันนี้เทพุตธมานแทบไม่ต้องกระดิกมืออะไรหรอกไอ้เล่นเจอมารสี่นี่ก็ไปไม่รอดแล้วเนี่ยใช่ไหม เทปุตมานหัวเลาะชอบใจ <c oughs> เอาบ้าแล้วดี่ติดๆแล้วไปไม่เป <c oughs> ็นแล้วทีนก็มาด้วยกันเนี่ยแล้วกลัวมานตัวไหนมากที่สุดเ <c oughs> นกลัวกิเลส ต, ตัวไห น, <c oughs> นกลัวมารตัวไหนกลัวกิเลสใช่ไหม เอาขาขาดเนาะไม่ใช่กีด ม, มาแ้วขามันขาดน่ากลัวไหมบอกโอบอยากจะไปขนขายในการเจริญทานศีลภาวนาแต่เป็นอัลไซเมอร์ขันธมานไม่เลาะเออเน่ยแหละเป็นอัลไซเมอร์ซะแล้วเป็นเนื้อ ง, งอกซะแล้วงงว่าไงเธอเป็นมะเร็งกินอีกแล้ว มันกินที่ไหนกินขันธมานนี่แหละแล้วมานไหนหน่ากลัวนี่ทุกมานเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ขนาดมานจอกันขนาดนี้ยังไม่เห็นภัยเลย <c oughs> ใช่ะไหมล่ะ <c oughs> ก็ น, นึกว่าโอ้โห ขนาดโนจอขนาดนี้ยังไม่เห็นภัยอันตรายออสขันธมาห้าขันยังไม่พอเพิ่มขันอีกเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาโอโ้โหขันธมานเต็มไปหมดแล้วเที่ยวไปห่วงอะไรขันคนอื่นจะไม่รู้บ้าบองจริงนะมนุษย์เราเนี่ยเออของตนเองยังจัดแจงไม่ได้เลยนี่คือปัญญาความสามารถแค่ดูแลขันธมาขันตนเองยังดูไม่แด้แล้วได้จะมีความศักยภาพไปดูขันคนอื่นได้ยังไง ไม่เห็นมีอะไรเลยพลังก็ไม่มีบุญก็ไม่มีใช่ไหมแค่จะหาอาหารเลี้ยงขันสักหาขันนี่ก็หมดปัญญาแล้วบางคนเนี่ยแค่ขันเดียวยังเลี้ยงจะไม่ไหวยังดูแลจะไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยใช่ไม่ใช่กำลังบุญเรามันต่ำขนาดนั้นบางทีเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยเอาเอาอย่างยมรัตดาวเรียนมาจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เนี่ย ให้ไปรับผิดชอบห้าขันไปไม่เป็นแล้วเนี่ยไม่มีปัญญาแล้วนั่นเนี่ยเอาห้าชีวิตดูแลไหวไหมไปเอาเด็กชาวเขามาห้าคนแล้วดูแลให้ดีๆหมดปัญญานี้เนี่ยขนาดหากินมาทั้งนี้เข้าใจคําวจิลนะทํามันน้อยไหมเลี้ยงไม่ได้เลยแค่ห้าคนเนี่ยอะไรไปเหลือเงินบํานาญแค่เดือนละเท่าเนี้เอ้ยเอ้ยทําไงเนี่ยใช่ไหมกําลังบุญเราต่ําขนาดนั้นนะอย่าลืมนะ แค่ห้าคนแค่นี้เหนื่อยเลยโอ้โหพอโตขึ้นมามันต้องกินมากต้องเรียนต้องหาเสื้อผ้ามันต้องท่า ท, ท, ที่อยู่มันเอะเอาสิตอนเนี้ยห้ามต้องทำหมันทุกคนเนี่นะให้แตกมแตกลูกแตกหลานไม่ได้ถ <laughs> ้างั้นเลี้ยงไม่ไหวอกีกขนาด น, น, น, นั้นนะอย่าลืมนะโอ้โหมนุษด <c oughs> นี่ขนาดนี่ขนาดนี่ขนาดจบด็อกเตอร์จากอเมริกานะ ขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยให้จะรับอีกชอบมีสักห้าคนเนี่ยที่รับอยู่แล้วมันก็เต็มแล้วรับอีกเพิ่มอีกหาไม่ไหวอย่าบอกห้โอ้โหตายเลยเหลือเงินไม่กี่บาทเลยแต่ละเดือนเเนี่ยย้แบ่งเอาให้คนละแปดพันแปดพันแปดพันใหม่ๆนะครับยังไม่ค่อยรอกินแล้วนะแปดพันเนี่ยแปดห้าเท่าไหร่ <c oughs> แค่นี้หมดแล้ว นั่งเกาหัวเลยต้องไปหาสอนพิเศษอีกแล้ ว, วเห็นไหมขนาดนั้นเลยอะนี่ขันธมานมันผ่านหมดเลยมันขัดขวางหมดเลยนล้จะไปบรรลุ ท, ทาอะไรตอนนี้ม า, าเลี้ยงมันอยู่นี่เลยเห็นไหม ย, ยังอ้โหนก็คิดใหญ่เลยคนบางคนบางทีหืมเท่าไหร่วันเนี้ย ห้าสิบคนหกสิบคนเออทำไงให้มีรายได้เข้ามาเอาคิดยังไงมันกินกันยังไงโอ้โหมันด้วยเงินบ้านบนใช่ไหมล่ะมันเลี้ยงอย่างมดอย่างปวกได้ก็ดีเนี่ยมดอย่างปวกได้นีทําที่มันปุ๊บมันหากินกันเองได้มันอย่างนั้นนี่มนุษย์อยู่ม่ธรรมดาไหวไหมแม่งเอาอีกสักห้าคน อีกห้าคนไม่ไหวเลยนี่มานคือเบญจขันไอเวทนาขันก็ขัดขวางใช่ไหมเจสุขเวทนาขัดขวางก็มีทุกขเวทนาขัดขวางก็มีอุเบกขาเวทนาขัดขวางก็มีไอสุขเวทนาอาศัยอามิตรเนี่ยอาศัยกรรมะคุณเนีโหเนี่ยไม่ธรรมดานะออกอย่างมันยากอย่างนะ เช่นเราได้มีสุขเวทนาจากได้เห็นสีที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆเนี่ยสุขเวทนาที่อาศัยเรือนอาศัยกรรมคุณเนี่ยโอ้โหออกจากมันยากจังคิดถึงมันอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ไอ้โตเกเวทนาที่มันมันต้องเนี่ยอโทมณสเวทนาทั้งหลายที่มันอาศัยเรือนมันต้องทุกข์กับมันต้องทรมานกับมันมันต้องเจ็บปวดกับมันนี่ก็โอ้โหนี่ก็ทำร้ายจิตใจฉันเหลือเกิน อุเบกขาเวทนาที่มันความรู้สึกว่ามันเ อ, อติดแบบเฉยๆเนี่ยดูเหมือนมันไม่ติดเนี่ยแต่มันติดแบบลึกๆติดแบบโมหะนี่เหมไม่ธรรมาดานกันนะเนี่ไอสัญญาก็โหตามหลอกตามหลอนอยู่นี่แหละทั้งสัญญาที่เป็นกุศลทั้งเป็นอกุศลไอกุศลสัญญาก็หลอกให้เราติดในวัฏฏะไอกิเลสสัญญาก็หลอกให้เราติดในใบจมอยู่ในอบพุ่มย่ังไงล่ะ ขวางหมขัดขวางไหมทําถ้าจะเจริญกุศลมาหน่อยมาแล้วผุดมาแล้วปึดปืดปืดปืปืเป็นแถวหมดเลยขวางไว้เนี่ยเป็นมารไหมแล้วอะปุงแต่งเขาอีกเดี๋ยนี้โอ้โหที่ปุงแต่งบุญปุงแต่งบาปสารพัดเนจินตนาการเก่งนะขวางสีกแล้วโอ๋ยวจะต้องไปดูตรงนั้นไปดูตรงนั้นที่เคยดูมาแล้วก็อยากกลับไปดูใหม่ ที่เห็นไปแล้วก็อยากกลับไปเห็นใหม่ที่เคยไปฟังแล้วก็อยากไปฟังบ้างหรือเบื่อเกี่ยวกันฟังก็ขวางอยู่นี่นะวิญญาณขันก็ขวางสรุปแล้วขันทุกขันเนี่ยเป็นมารได้หมดเลยนะถ้าไม่ฉลาดในการจัดแจงมันให้ดีเป็นมารหมดเลยใช่ไหมจริงไหมจริงเอาวเลยขันมัามารเป็นมารจริ ง, ร ง, รงกิเลสสมานไม่ต้องพูดถึงราคาโทรศัโมหามาหน้าทิถีนิโหยตัวกล้กัดเลยตรงนี้ย อภิสังขารมารเนี่ยกรรมที่ทําแล้วที่จะต้องไปลงอบายภูมิอีกเยอะทําเสร็จไปแล้วทํายังไงเป็นมารหมดเลยนะเนี่ยตามหลอกตามหลอนตามเป็นนิมิตที่ไม่ดีตลอดเวลานะมารเหล่าเนี้ยเป็นนิมิตที่ไม่ดีนิมิตที่ชั่วร้ายคอยจะกระชากเราทําให้หมดโอกาสในการจเจริญกุศลจะเป็นบาปคอยตัดรอนเราอยู่ตลอดเวลาที่เราทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นทั้งทิฏฐะเป็นทั้งกรรมที่ที่คอยขัดขวางในภพนี้ด้วย เป็นกรรมที่จะขัดขวางในพบถัดไปด้วยอาจจะทํายังไงให้เป็นทำไปแล้วอะแล้วกุศลที่เป็นไปนในวัตตาก็มีกําลังมากคอยขัดขวางกล่อมใจเราทําไม่อยากไม่อยากให้เราพ้นทุกข์หรอกเห็นไหมสิ่งดีๆทั้งหลายเนี่ยผลของกุศลทั้งหลายที่มันให้ผลโอ้โ ห, ห, หน่าเกียด น, น่ากลัวมากเนะ้อแตมันให้ผลขึ้นมาต้อนรับแทบไม่ทันเลยเนี่ยไปในที่ไหนมีแต่คนนับถือเยอะไปหมดเนี่ย โอ้โหเกียรติยอดชื่อเสียงเนี่ยติดหมดเลยแหละไม่เหลือไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องมีแต่คนนับถือด้วยกุศลพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ก็เชิญใหญ่เลยเดีเยนนวนี้ไปงานนู้นไปงานนี้สารพัดหมดแล้วงานแต่งงานบทนึกถึงแต่เราอยู่นี่แหละว่างั้นเถอะขวางไว้แล้วกรรมเหล่านี้ยกุศลเหล่าเนี้ยอาขวางก็อีกเพราะเราไม่เคยตั้งอัตยาใสา่เป็นเ ป, นเปนกับความ้นทุกข์ แล้วก็ได้แต่สิ่งแวดล้อมที่จอมอยู่ในวัตากันอยู่นี่แหละนี่เป็นอย่างนี้อภิสังขารละมานกลุ่มประเภทที่เจตนากรรมที่ติดอยู่ในกลุ่มสมาธิทั้งหลายก็ขวางออกจากสมาธิบบไม่ได้อย่างอุทธกาดาบทอรัสะดาบทเนี่ยนี่คือกลุ่มอภิสังขารละมานมัจจุมานมานคือความตาย พอจะไม่ได้ศึกษาพระธรรมสักหน่อยธารมท่าจะตายกันด้ อ, อีกสุขภาพจะไปไม่ไหวก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้นะทางที่จะมันพ้นจะพ้นทุกเนี่ยพอมารู้เขาหน่อยนะโอ้โหเนี่ยวันวันศึกษาได้นิดเดียวต้องกลับไปยืดเส้นกันอยู่นี้เยไม่ไหวจะตายแล้วใช่ไหมจริงไหมเทวดามนเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายลนี่ก็คอยขัดขวางหลอ ลบกวนบ้างขัดขวางบ้างเพื่อจะทําลายไม่ให้เราบรรลุเยอะกลัวเราออกจากวัฏะกลัวไม่มีเพื่อนกลัวไม่มีเราจะไปต้องการจะเอาเราไปเป็นลูกน้องเอาไปเป็นบริวารอีกเยอะเชิญชวนพระเนี่ยราไปพุทธพรหมจันทร์ยิงดีเทวดามาแล้วท่านจะมาพุทธพรอาจันทร์ทํำไรท่านกันยังหนุ่มแน่นอยู่มาแล้วใช่ไหม เอามาเนี้นั่นไปไ็น้ไก็อาทีก็ครอบงามคนอื่นมาให้ก็เกลียกลอมภายใหญ่ไ ด, ด้สรุปแล้วพวกเราเนี่ยมีมารเยอะไหมทั้งภายในและภายนอกจัดการมารภายในให้ได้เดี๋ยวเวลานิดหน่อยเองศึกษาเรื่องอะไรต่อ เมื่อกี้พูดเรื่องบทพาหุงได้บทเดียวที่ว่าทเวลาเราสวดกันในบทพาหุงเนี่ยเราก็จะสวดกันแบบประเภทที่ไม่รู้จุดหมายแต่ตอนนี้รู้แล้วนะ